คำว่าก่อความรําคาญความว่าภิกษุก่ อ, กอความรําคาญกล่าวว่าท่านคงจะอายุย่นกว่า20ปีอุปสมบทแล้วท่านคงจะฉันอาหารในเวลาวิการท่านคงจะดื่มน้ําเมาท่านคงจะนั่งในที่รับกับมาตุคามต้องอบัตตาจิตตีคําว่าประสงค์เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นคือไม่มีเหตุอื่นที่จะก่อความรําคาญให้